มาเจอเข้อความในสุตตานิบาตกับในจุลนิเทศช่วงนี้เนี่ ย, ยกล่าวตำหนิกล่าวถึงพิษภัยทุกโทษในสิ่งที่ที่เราเรียกว่าสิ่งที่น่าปรารถนาสำหรับเราเนี่ยนะคือเราโดยรวมๆแล้วคือโดยหลักสมัยนี้เป็นสมัยที่ชื่นชมสรรเสริญในแง่ที่น่าปรารถนา แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเปิดอีกพลิกอีกข้างหนึ่งมาให้ดูก็คือในสิ่งที่มีโทษทันการที่เรามองอย่างหนึ่งอย่างได้ใน2 ส, ส, ส่วน3 ส, ส่วน4 ส, ส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นความกว้างอีกอย่างหนึ่งทางสติปัญญาถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นดีการที่เรารู้ข้อเสียนะรู้ข้อดีแล้วก็เห็นข้อเสียด้วยก็ถือว่าเป็นความความสามารถการฉลาดของเราที่เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วย สติปัญญาเนี่ยนะเกี่ยวข้องด้วยสมถะและวิปสัสสนาซึ่งการเกี่ยวข้องพัวพันคลุกคลีอยู่กับวัตถุทั้งหลายก็จะได้ไม่ต้องทุกข์ในในที่สุดก็เป็นการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์อย่าลืมว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่กล่าวอย่างที่เราฟังฟังไปเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้กล่าวให้ประชาชนทั้งหลายละเลิกในการประกอบอาชีพไม่ได้กล่าวละเลิกให้ประชาชนทั้งหลายเกียรตคร้านในการดํารงชีพแต่ว่า ให้คิดอะไรให้มันยาวเข้าไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปื้อนด้วยบาปเปื้อนด้วยอกุศลหรือไม่ก็ไปทุ่มเทให้ในสิ่งที่เราก็แม้แต่ตอนปลายเราก็ยังไม่เอาเลยว่างั้นเถอะตอนต้นนี้เหมือนกับทุ่มเทเพื่อสิ่งเหล่านั้นแต่ในที่สุดตอนปลายเราก็ยังไม่เอาเลยนะเช่นอะไรคล้ายๆกับอาหารที่เราบริโภคตอนแรกหาแต่อาหารอาหารนั้นที่สุดเราก็ไม่เอามันอีกแล้วเนี่ยนะจะจ้างเอาออกก็ยอมว่างั้น ในคาถาที่เจ็ดเนี่ยนะที่กล่าวถึงโทษของกลามอีกคาถาที่สิบเจ็ดกล่าวว่าพระพผู้ที่จะได้แต่สรุปเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าโดยมากเป็นพระราชาเป็นพระราชาสัส่วนใหญ่เลยเนี่ยน ะ, ะตั้งคําถามว่าทําไมท่านเหล่านั้นจึงได้เป็นพระราชาสัส่วนใหญ่คําตอบก็คือว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยเคยเคยบวชเคยเจริญสมถาวิปัสสนา แต่ที่สําคัญท่านเหล่านั้นปูชาจะปูชนียานังผลของการบูชาผู้ที่ควรบูชาผลของการนอบน้อมผู้ที่ควรนอบน้อมผลจากการนอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระริยเจ้าทั้งหลายผู้มีคุณธรรมผลแห่งบุญเหล่านั้นทําให้เกิดในตระกูลสูงผลแห่งการปรนิบัติรับใช้พระพุทธศาสนาก็าเป็นผลให้เกิดใน ตระกูลสูงเป็นพระราชามาหากษัตริย์กรรมส่วนใหญ่นั่นก็ถือว่าเป็นเศษเศษของกรรมในบางส่วนเนี่ยนะแต่ท่านเหล่านั้นก็เคยสเสวยสุขในสวรรค์สมบัติมาแล้วนีพูดถึงพระราชาพระองค์นี้ก็เหมือนกันพระราชาพระองค์นี้ก็เป็นพระราชากรุงพาราสีฝีก็ได้บังเกิดขึ้นแก่พระราชาพระราชาเป็นฝีเวทนาแก่กล้าเป็นไปอยู่แพทยทั้งหลายก็กราบทูลว่าเว้นการผ่าตัดไปแล้ว พระ อ, องค์จะไม่มีความสุขนะครเห็นฝีประเภทนี้เรียกว่าโปยาทายาคงไม่หายหรอกต้องผ่าอย่างเดียวพระราชาก็ให้อภัยแก่แพทย์แล้วก็ตรัสสั่งทําให้ทําการผ่าตัดแพทย์เหล่านั้นผ่าตัดแล้วก็นําพระปุปโพและพระโลหิตออกก็คือเอาน้ําห น, นองน้ําเลือดออกกระทําให้หมดเวทนาแล้วก็พันผ้าพันแผลทูลตักเตือนโดยชอบในเนื้อและอาหาร เพราะว่าคนที่ผ่าตัดเนี่ยหลังจากผ่าตัดจะต้องระวังในเรื่องอาหารเรื่องเนื้อเป็นต้นเนี่ยนะจะต้องเสวยให้เป็นนะพระราชาก็เลยมีพระสรีระผอมเพราะโภชนะสวมองเพราะว่าเขาห้ามห้ามอาหารห ล, หลายหลายอย่างออกไปเนี่ยนะที่ไม่ได้เป็นเป็นคุณต่อโรคเนี่ยนะก็หมอก็สั่งงดอาหารหลายอย่างฝีของพระองค์ก็แห้งพระองค์ก็สาคัญว่าหายก็เลยเสวยพระกยอาหารรสเลิศ อร่อยมากที่ส่งผลให้มีฝีอีกแผลที่เกิดจากพระกายอาหารนั่นก็กำเริบอีกนะนะอันอาหารนี่มีผลมากต่อแผลแผลจะหายเร็วหายช้าก็อยู่ที่อาหารด้วยส่วนหนึ่งมันอะหลังจากที่ไปบริโภคอาหารที่อร่อยลิ้ น, น่ะนะแต่ว่าไม่สบายไม่สบายแผลองนั้นเถอะดีอีกทวารหนึ่งแต่เสียหายหลายทวารนะฮะก็เลยเกิดกำเริบขึ้นฝีของพระองค์ก็ถึงสภาพเช่นเดิมอีกนะ พระองค์ก็เลยทําการผ่าตัดอย่างนี้ถึงสามครั้งในที่สุดแพทย์ก็ได้ทูลบอกเลิกบอกอําลาและพระเจ้าข่ามาถ้าพระองค์ยังเสวยอีกหมอมชันไม่เอาแล้วหมอบอกเลิกพอหมอบอกเลิกว่าถ้าหากว่าพระองค์คืนเสวยอีกหมอมชันไม่พาให้แล้วอาจจะอธิบายให้ฟังด้วยโทษหลายๆประการ น, นะะว่าถ้าคืนผ่าอีกเป็นต้นอาการทุกโทษไร้ล้ายอย่างก็จะตามมาพระราชาก็เลยเบื่อหน่าย ฝีช่วยฝีมาในคราววัตนาส่งนะก็เลยจะได้ผู้คนจะได้บรรลุอันนั้นก็เลยมีฝีเลยในที่สุดก็เลยจะสละราชสมบัติเห็นไปเจริญวิปัสสนาอยู่ในป่ากระทำให้แจ้งโพปัจเจกโพธิญาณโดยเจ็ดปีเจ็ดปีผ่านไปก็ได้ตรัสรู้เนี่ยนะอเราโอ้ยอยู่กับอริยสัจถึงเจ็ดปีหรือยังเลยนะให้มันเจ็ดปีวันละสิบแปดชั่วโมงดูเธอเนี่ยนะ สัก7ปีนี่ถ้าไป บ, บรลลูก็เหมถือว่าอ็นซียังอ่อนอยู่มาแต่ถ้าทำได้โอหติดกัน7ปีเนี่ยนะคิดแต่อริยสัตว์อย่างเดียวเนี่ยโดยเฉพาะคิดถึงมรรสั์ให้เยอะเนี่ยคือคาว่าคิดกับอริยสัตว์ไม่ใช่ให้คิดจมอยู่กับทุกนะแต่ให้คิดมรรสัดจะที่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ถ้าอยู่อย่างนั้นสัก7ปีเนี่ยโหได้ดีแน่ แต่ปัญหาว่ามันเจ็ดปีก็จริงแต่ว่ามันปีละอะไรนะปีละสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยนะวัดเอานาะทีมาจับจับคำนวณตรวจดูแล้วเนะี่ยเจ็ดปีปีละห้าหกชั่วโมงเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็บางทีอาจจะอย่างสมมติว่าโอ้ยฟังธรรมเนี่ยวันละฟังวันละหลายชั่วโมงนะฟังแต่เช้าจนเย็นนั่งแปดเก้าโมงถึงเนี่ยสี่ห้ามงเย็นนะ่ยนะนะนะนะแต่ว่าไอ้ตัวที่เข้าใจจริงๆปริมาณเอามาชั่งนาทีแล้สักสินาทีได้ที่เหลือเป็นเรื่องอื่นหมดจริงอยู่ว่าอที่นั่งอาจจะนานนะแต่ว่า ไอ้ตัวความเข้าใจนะที่พูดนี่พูดถือเอาตัวสาระตัวปัญญาตัวที่รู้ตัวที่เข้าใจเป็นประมาณเขาวัดกันที่ความเข้าใจไม่ได้วัดที่ชั่วโมงเวลานาทียังอื่นนะนะแต่ถ้าคนบุญน้อยก็สะสมใช้เอาชั่วโมงอย่างอื่นมาเจือจางนะให้มันเพิ่ ม, เ พ, มเพิ่มขึ้นพอหลังจากที่เป็นถามว่าพระราชาพระองค์นี้เนี่ยอาศัยอะไรเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณพื้นฐานแนวทางการเจริญวิปัสสนาของ พระองค์เอาอะไรเป็นหลักบอกว่าเอาฝีเป็นหลักก็เลยบอกว่าอิติจะคันโดจะอุปัทโวจะโรโคจะสัลลันจะเมตังเอตังพยังกามคุเนสุทิสวาเอโกเจเรคค้าวิสานากัปโปกบุคคลเห็นภัยคืออิติอิตินี่โดยสัพว์สพิติโยความจังไรทั้งปวงยงมรามราศไปก็อิติอันนี้แหละคือแปลว่าจังไรนะในโตสี่สก็อิติโตนั่นแหละ ฝีอุบาทโรคลูกสอนภัยคือความน่ากลัวเหล่านี้มีอยู่ในกรรมมาคุณทั้งหลายถ้าหาว่าเห็นภัยแบบนี้แล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดหนอแอะไรเสร็จแล้วก็พอนี้ก็เหาะไปสู่ภูเขานันทงมุลกะอธิบายว่าอีติอีติเนี่ยนะอีตินี่โดยศัพท์แปลว่าความจังไรอีตินั้นเป็นชื่อของเหตุแห่งความพิราษ เหตุใดที่นำมาซึ่งความพินาศเหตุนั้นชื่อว่าอิติเรียกว่าเหตุแห่งความพินาศโดเยเรียกว่าจันไรเนี่ยนะอันเป็นส่วนแห่งอกุศลที่จรมาแปล ง, ง่ายๆว่าสิ่งใดที่นำมาอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจสิ่งนั้นจะเรียกว่าของดีได้ไหมไม่ได้ก็เลยเรียกว่าของที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแม้กรมาคุณทั้งห้าเหล่านั้นก็ชื่อว่าเอติหรืออิติเนี่ยนะเพราะอัตถะว่าเป็นเหตุนำ ม, มาซึ่งความพินาศหลายอย่าง และเพราะเป็นเหตุให้ตกต่ำอย่างหนักต่ำขนาดไหนก็ต่ำถึงขนาดอาวิชีนนั่นแหละโลกาตันนั่นแหละต่ำขนาดนั้นนะนะพวกพวพันสิ่งเหล่านั้นในที่สุดก็ต่ำถึงขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะแม้โดยรวมก็แม้ฝีย่อมหลังออกซึ่งของไม่สะอาดคือบวมขึ้นและแก่จัดแล้วก็แตกออกเพราะฉะนั้นการมคุณเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นเหมือนกับฝีวัตถุการมทั้งหลายเหมือนกับฝีเพราะเป็นที่ไหลหออกแห่งของไม่สะอาดคืออกุศลทั้งหลาย ก็อย่างว่าวัตถุใดบ้างที่ไม่นํามาเสื่งบาปและอกุศลเนี่ยนะอย่า ง, างคือคือทุกอย่างเนี่ยนะในโลกนี้สิ่งใดๆคำถามว่าดอกไม้ที่จะถูกเด็ดก่อนดอกไหนดอกที่เหร่ที่สุดใช่ไหมใช่ถ้าคนดูแลสวนอาจจะเอาดอกเร็วๆออกไปนะแต่ถ้าคําว่าถ้าดอกไม้ป่าเนี่ยดอกไหนจะถูกเด็ดก่อนก็ดอกที่งดงามก็แปลว่าดอกนั้นจะต้องเฉาเร็วฉันใดวัตถุ ก, การมที่น่าปรารถนาทั้งหลายก็เป็นที่ ต้องการแห่งประชุมชนจํานวนมากเมื่อเป็นที่ต้องการถามว่าคนจะทําด้วยกุศลเจตนาหรือบอกไม่อกุศลทั้งหลายก็จอนไหลเข้ามาพวัตถุกรารมทั้งหลายเป็นที่หลั่งไหลออกมาแห่งวัตถุที่ที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยนะคือความเศร้ามองสารพัดชนิดก็หลั่งออกมาเพราะอาศัยวัตถุกรรมอย่างเพชรบางเพชรเนี่ยนะเพชรบางเม็ดเนี่ย ทานมากี่ศพแล้วเนี่ยถ้าเราคิดให้ดูนะครัใครไปบริหารดูแลเพชรเมร็ดนี้เมื่อไหร่ก็กลายเป็นศพแต่ทุกคนก็อยากเป็นเจ้าของเน่ยนะแต่ก็เพราะอะไรพันวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองอยาตําแหน่งบางตําแหน่งเนี่ยนะโอ้แท้ใครไปอยู่ในตําแหน่งนั้นเนี่ยอาจจะอายุไม่ยืนแต่แม้แย่งกันไปอยู่ในตําแหน่งนั้นเหลือเกินเนี่ยนะซึ่งแปลกว่าทั้งๆ ท, ท, ท, ท, ที่เป็นที่ตั้งแห่งความปองร้ายสารพัดชนิดแต่ก็เป็นที่ต้องการนั้น วัตถุกรรมที่น่าปรารถนาก็เป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลสารพัดอย่างฉะนั้นอย่างกรรมมคุณห้าเหล่านี้ที่ชื่อว่าอุปัทถวะอุปัตถวะเพราะอัทธาวะปทุสรายทําความเสียหายให้เกิดคําว่าอุปัทถวะนั้นเป็นชื่อของอาทญากรรมทั้งหลายเป็นชื่อของอาทยาทั้งหลายที่เกิดจากราชฐานเป็นต้นเช่นถ้าหากว่าไปทําความชั่วก็มีผู้ที่เขา ลงโทษเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม้กรรมมรรคเหล่านั้นก็ชื่อว่าอุปตะวะเพราะเป็นเหตุไม่ก้าวลงสู่พระนิพพานที่ตนยังไม่รู้คิดง่ายๆว่าวัตถุกรมตัวไหนมั่งที่จะนํามาซึ่งพระนิพพานอย่างว่าอย่างตอนนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะซีดีซีรีลอมอะไรคอมพิวเตอร์ถ้าเอามาใช้เป็นประโยชน์ก็อาจจะใกล้ก็ได้เนี่ยนะแต่ว่าอย่างว่านะมีสิ่งเหล่านี้แล้วฟังธรรมะกับฟังอย่างอื่นไหนมากกว่ากันหลายคนว่าฟังธรรมฟังธรร ม, มน่ะใช่ช่วงที่กุศลเจริญก็ว่าอย่างนั้นไหม คนที่อกุศลไม่เท่านั้นนะแต่บางคนหลายคนนะมีสองคนที่เหลืองเงียบหมดก็แปลว่าอะไรนะก็ดูเอาอะนะบางคนก็เอาไว้ฟังฟังเพื่อที่จะออกจากวัดตะบางคนก็ฟังไว้เพื่อจะโซ่ให้มันเส้นใหญ่กับเดิมขึ้นจะได้ล่ามเอาไว้เขาก็แล้วแต่นะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็อย่างามีรถเนี่ยขับรถไปฟังธรรมหรือเอาไปทําอย่างอื่นมากกว่าอย่างเงี้ยนะก็ดูบางท่านบอกโอ๊ยเนี่ยออกรถมาเนี่ยไว้เจริญบุญอย่างเดียวอนุมโมทนาด้วยเห็นไหม ก็หลายๆค่ะก็คิดดูว่าวัตถุกรมทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญกุศลมากหรือเจริญอกุศลมากในประชากรจํานวนห00ันล้านเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยเมื่อมีวัตถุเหล่านั้นเอาวัตถุเหล่านั้นไปทําอะไรนะนะเอาไปทํากุศลหรือเป็นที่เจริญอกุศลอยู่ห้องแอร์เย็นๆสบายสนทนาาริยสัตย์ มีห้องนี้แหละแล้วก็อาจจะอีกหลายห้องอ่ะนะแต่ว่าไม่มากนักหรอกที่เหลือก็อยังอื่นซะส่วนใหญ่หมดท่านจะรู้ว่าวัตถุกรมที่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหลายในโลกนี้ไม่มากนักหรอกที่จะเป็นเป็นประตูที่จะให้ไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะหลายๆท่านกว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็สายเสียแล้วเนี่ยนะอะไรนะโบราณแปลว่าโบราณภาษาไทยว่าขวานบินเมื่อมีไม้งามไงล่ ฟันสเปะสปะจนขวานบินหมดแล้วจนจะฟันอะไรก็ไม่เข้าทู่เต็มทีแล้วล่ะก็เลยเออนี่อยากได้ต้นนี้แหลพะพอดีรูปดูคมขวานแล้ก้ก็ไม่ใช่ขวานแล้วนี่มันท่อนเหล็กลันหนึ่งดุ้นตุนนั่นะทนไอเอกอุปัตถวะเนี่ยนะวัตถุกรรมทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยยังความไม่มีโรคคือสิอ่อ วัตถุเหล่านี้เนี่ยทั้งน้ำตาง่ายๆว่าวัตถุไหนบางที่ไม่ผ่านประตูแห่งปานาติบาตมาเลยมีวัตถุชิ้นไหนบางที่ไม่ผ่านเส้นทางแห่งไม่ผ่านระบบปานาติบาตมามีไหมมีวัตถุชิ้นใดบ้างไม่ผ่านระบบอธินนาทานระบบกาเมสุมิชฌาจารระบบมุสาวาตพุสวาจาปิสนาวาจาสัมปะปลาปะไม่ผ่านอาภิชาพยาบาทและไม่ผ่านระบบของมิจฉาทิฐีมาเลยเนี่ยยาก คื อ, คอถ้าเอาเอ า, เอาระบบกุศลกรรมบทมาจับจะรู้ว่าวัตถุทั้งหลายโดยมากผ่านล่วงอาจกุศลกรรมบทไม่ใช่น้อยเนี่ยนะท่นก็ทําศีลให้ให้เสียหายให้ถึงการทะเลาะแล้วก็ปล้นความไม่มีโรคตามป ก, กติคือคือวัตถุก ร, รมเนี่ยนะปล้นศีลออกไปหมดเลยนะศีลที่รักษาอยู่ก็หายเสียหายหมดวัตถุกรรมเหล่านี้ท่านบอกว่าชื่อเหมือนลูกศรเพราะว่าเข้าไปภายใน เพราะอาธรรมว่าทําความเดือดร้อนในภายในแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องกามเนี่ยนะยากที่จะสบายใจวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะอย่างว่าบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆเนี่ยนะยากที่จะทําด้วยความสบายใจในวัตถุเหล่านั้นเหล่านั้นเช่นอย่างผู้ที่ประกอบอาชีพชาวนาใช่ว่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะนานะก็คือเป็นคนที่มีความทุกข์มากเกี่ยวกับเรื่องนาผู้ที่เป็นชาวสวนยิ้มเลยใช่ไหมเมื่อพูดถึงสวนเนีนะ อย่างเช่นชาวสวนเงาะนี่ยิ้มแป้เลยใช่ไหมเมื่อพูดถึงเงาะตอนราคาตกนะแล้วราคามันขึ้นกับไอปีไหนราคาขึ้นเงาะก็ไม่ออกสมมตินะปีไหนระณะออกมากก็ราคาแทบไม่ขึ้นมาโอ้เสียเวลาเก็บของงั้นนะเหนื่อยเหนื่อยเปล่าอะคือบางอย่างเนี่ยนะมันเป็นลักษณะนั้นทุกๆอย่างที่ที่ที่ใครเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะนำมาซึ่งความ ไม่สบายใจก็ว่าเป็นของที่นําออกได้แสนยากใช้คําว่าแสนเลยนะก็อะไรก็ตามเถอะถ้ถามันเป็นราคาแสนขึ้นไปแล้วมันแก้ยากนะถ้าร้อยพันหมื่นก็ค่อยยังชั่วนะไม่หมื่นนี่ก็หนักหนาแล้วถ้าถามว่าถ้าเป็นแสนเป็นล้านอ่ะแล้วหลายๆแสนเข้าไปเนี่ยนายบอกว่าเนี่ยความทุกข์ที่มีอยู่ในภายในนําออกแสนยากมันยากจริงนะเพราะบางอย่างต้องมีเงินแสนนี่แหละจึงจะแก้ความทุกข์อ น, นั้นได้เพราะบางอย่างจ่ายสักแสนหนึ่งแล้วจึงสบายใจองนะ สิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะอย่างสม่นว่อย่างพวกกลุ่มเรื่องที่นาเนี่ยนะมันก็ต้องจ่ายเป็นแสนนั่นแหละจึงจะสบายใจบางคนเกี่ยวกับที่ไร่ก็จ่ายเป็นแสนนั่นแหละจึงจะสบายใจเล่ยๆเรื่องเนี่ยมันแสนจะยากก็เพราะว่ามันใช้เป็นแสนแนั่นแหละคอยแก้ปัญหาได้ทั้งสิ่งเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภัยเพราะนํามาซึ่งภัยในปัจจุบันและชาติหน้ามันน่ากลัวในชาตินี้ก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่นั้นแล้วชาติหน้าต่อๆไปจะน่ากลัวอีกขนาดไหน เพราะนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นภายในวัตถุกรรมเหมือนฝีเป็นจันไรเป็นฝีเป็นอุปัทวะเป็นโรคเป็นลูกศรและความเป็นของน่ากลัวเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วอันนี้เห็นด้วยวิปัสสนานะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็เที่ยวไปด้วยอริยมรตแต่เพียงผู้เดียวเหมือนหนอแรชนั้น